เรื่องน้ำมันเจือด้วยน้ำเมามากเกินไปสมัยนั้นพวกภิกษุฉับพักขีหุงน้ำมันเจือน้ำเมาลงไปเกินขนาดดื่มน้ำมันนั้นแล้วเมาภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงดื่มน้ำมันเจือน้ำเมาลงไปเกินขนาดรูปใดดื่มพึงปรับอาบัติตามธรรมภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ดื่มน้ำมันเจือด้วยน้ำเมาชนิดที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสน้ำเมา